สังทากันตัวเราเราจะําต่อกันโดยารสังทมให้ดูดูร่วมกันแย่งออกทั้งความปรารถนาดีต่อกัน16ปีที่ผ่านไปวันระสังคารหลวงพอเทียน วันที่สิบสามปัญญายนะที่ผ่านมาสองวันนี้ตัวเราก็ไปเรื่องปริบัติบูชาเทวดาในวันที่สิบสามบางคนเป็นศรัทธามั่นเดินจงกรมตลอดขึ้นไม่หลับไม่นอนก็มี หัวสียาคนเท่าๆใจแกเราอยัางสู้ก็แสดงว่าในศรัทธาพอสมควรนั่คือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เราจะอำอ่องแบ้งบางทีก็ต้องส่งหน้าบ้าง ไม่เคยทำก็ลองทำไม่เคยคิดก็้องคิดไม่เคยประกอบก็ประกอบเป็นสติไม่ใช่ท่องจำตป็นการประกอบการประกอบสติมันจะเกิดขึ้นก็เพราะการประกอบมันขึ้นมาโดยมีอาการจริยาที่เราจะแสดงออกเอาสาการเดินจงกรมเอาสายการ เคลื่อนไว้ายเคลื่อนไหวของจิตใจจะทำให้เกิดความรู้สึกตัวตู่เปล่า่เาปล่าเปาแค่เอาเปลี่ยนเอาทำไงที่มันไม่ใช่สติเปลี่ยนเอามาทําไมก็เปลี่ยนเอาแต่เวลาที่จะต้องเปลี่ยนเวลาที่จะต้องสร้างก็ต้องสร้าง ไปท่องๆกันอะไรสร้างมันก็ไม่มีเวลาไหนที่มันจะเกิดสิ่งที่มันไม่มีขึ้นมามันใช่สติเราก็เรียนมันแต่มันเป็นความรู้สึกตัวมันใช่รอคอยการปฏิบัติธรรมการเจริญสติตรตองซึนน่งหน้าต่อหน้าต่อตากันที ปรับทันทีมันก็ธรรมชาติมันก็ป่าไม้เาไปไม้ป่ามันก็ปรับใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่แผ่นดินเราเอาหญ้ามาเกิดตรนไม้ที่ไม่เกิดหญ้าแล้วก็เกิดเถ้าเกิดต้นไม้ที่มันเป็น ปุ่มเป็นเครือเป็นพืชคมดินเอาไว้เพื่อให้เกิดสีเขียวบางที่ป่าจุกโตสมัยถึง ว, วันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนป่าจุวโตเนี่เดินไปไหนก็ได้เพราะมันโล่งต่าไม้ใหญ่หญตตๆต้นไม้โตโตเดินไปไหนได้ทุกที่ทุกทางแต่ ว, วันนี้เดินไม่ได้เพราะว่ า, มาไม่แต่เถาวงมีแตน้ำ เป็นเครือไม้เถาไม้เถาวันต่างๆปกคุมเาไว้เราสร้างของเขาเพื่ออะไรเพื่อต่อสู้กับความสูญเสียเพื่อจะเกิดทะเลทรายเราก็ช่วยกันบอกกันเอาเอาหญ้าเกิดเอาเอาต้นไม้เล็กๆกป เ, เ, เ, เกิดเอาเอาเถาวไม่กเกิดถึงไหนที่มันพอที่จะคมดินได้อเอาเป็นขบวนการ เราก็ส่งต่อต่อกันไปตาต้อตอนว่าตาตาไป ไ, ไ, ไม่ไหมมันมีคนเดินจุดไปมันก็กลายเป็นต้นเหนี่มเหนีม่นมห้าเหนี่มล่างออกกล่าวเหนีล่างกว่ต้นปอหูตะบวบปหัวกว่ต้นใสเดินต้อนอะไรที่มันมากับปีกบ่างมากับนกว่า มากับธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาบ้างเป็นพืชสมุนไพรเป็นไม้เย็นต้นไม้เจ้าป่าเจ้าดงเกิดขึ้นมาเป็นตาขึ้นมาแต่ว่าสําคัญคุกคนนี่แหละไปยุ่งกับเขาไม่เข้าถ่าไปจุดไฟไ้ทําอะไรต่างๆทําให้เขาสร้างตัวไมาา่ได้หลุมลุกลูก ค, คานเต็นที่ฉันเลก็ดีชีวิตของเราเนี่ยธรรมชาติมันก็ช่วยเรา ธรรมชาติแป่เปลี่ยนไปคือเจ้ากิเลสเจ้าสังขารทั้งหลายนี่จะทําให้ตรงไหนพังทลายเป็นกิจของนี้มันประพันสอนถองใสอ ย, อยู่แต่เดิมแต่สิ่งที่ทําให้ไม่เป็นธรรมชาติแต่เดิมมัน เ, นเสียหายไปก็คืออาการตกะคือกิเลสสัทธธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาเช่นความหลง น, น, นะมาได้สร้างดอกความหลงน่ะ อะไรสากสักหน่อยเรามันเกิดขึ้นมาอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเหตุปัจจัยมันก็มีอยู่จะมีโลกมีนามโลกทมนามทมนิ่มันม่ตามันมีหูมันในจมูก ม, มันในลิ้นมันมีกายมันนจิต มาสร้างตำรวจทหารจนได้มาสร้างตัวบทกฎหมายจนได้มาสร้างกองทัพสตาอาวุธตังซ้อซ้อเลือตังอะไรโอ้สะะริญพระจ้ามันก็มีเท่านีแ้แหละมันก็มีอยู่ที่ลูกที่น้ำแล้วนะการปริวาิมั น, นจะรงเข้าไปจริงๆในสติมันจะทำลายความหลง เมื่อมัน ม, มีความหลงมันก็ไม่มีความโลกความโกรธมันก็ไปเป็นกบวนการ เ, เกิดสงบเกิดสันติภาพเกิดความสุขร่วมกันส่วนรวมจําเป็นต้องต้องปฏิบัติแต่หลายชีวิตทุกคนมองข้าม โ, โลกเขาก็สร้างระเบิดปรมาณูระเบิ ด, บ ด, บ ด, บดนิวเคลียร์เพื่อประหารทหารกัน เป็จนโจรก่อเวทนาตอะไรต่างๆเพื่อทําลายร่างกันมั น, นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแทนที่จะมารับผิดชอบตัวเองของใครของเราอาสัยหลักศาสนาอาศัยหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาของศาสนาทุกศาสนามาอ่าดูแลตัวเองแล้วการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการมาดูแลตัวเองนั่นแหละ ดูแลตัวเองได้อย่างดีที่สุดในใจก็ต้องดูแลใจเองในกายก็ต้องดูแลกายตัวเองแต่ใน ใ, นใจของเราก็ต้องให้คนอื่นเกรงใจให้คนอื่นเห็นใจให้คนอื่นเอาใจก็ทำให้คนอื่นเป็นภาระอนามีเนภรรยา พัญยาก็ต้องเอาใจสามีสามีก็ต้องเอาใจพันยาเพคนเมียก็ต้องเอาใจกันถนอมน้ำใจกันมันก็ไปไม่ได้ไม่ต้องมาถนอมน้ำใจตามคนต่างรักษาให้เป็นหน้าที่ของใครของมันไปทํางานทําการแต่ว่าร่างกายเนี่ดูแลกันมา้างมีอะไรก็วบงปันกันช่วยเหลือกันหนักช่วยกันหกักยาบช่วยกันดึง เด็กไข้ได้ป่วยดูแลกันแต่มันเป็นเรื่องเดียวเรื่องปิตใจเนี่ยเอาเทิมไว้แล้วไม่ต้องมาเกงใจไม่ต้องมาอมกลัวระผิดอกผิดใจอ น, นั้นมันมันน่าจะหมดไปจากโลกถ้าคนผู้ปฏิบัติธรรมนี่ยไม่ต้องมาเกงอกเกงใจใจของเขาก็รักษาอยู่แล้วดูแลอยู่แล้ว ไม่ให้กระโจกระจายไมให้ไปคล้องตาคล้องหูคล้องกัยลูกลกับรถกับกรดกับเสียกันใดเขาดูแลง่ายการดูแลเรื่องใจนง่ายกว่าการดูแลเรื่องทิ่กายถ้าปฏิบัติต่างใจได้ไปก่อนเลยแต่ว่าการฝึก ข, ขัดใจนั้นไปฝึกขัดใจได้ได้ทีทีฝึกขัดมันต้องฝึกขัดเทกายสอนกายซะก่อน แต่ว่าใจละมันเป็ น, ปนไปเกิดศีลก็เป็นเรื่องของกายของใจทันทีเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็เป็นเรื่องของกายของใจทันทีถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าพระลฉลาดจนประกาศออกมาว่าเราเป็นสยมภูตัดสรู้เองโดยชอบไม่มีใครเป็นโคของเราจป็นโทษต่อามาอย่างผาผลาโลกเลย ไม่ไม่มใครเป็นครูของเราจึงสมควรที่เป็นศาสตราเอกแต่เราเนี่สบายแล้วต้องเรียนตามครูบารมุกครูของเราครูพระพุจาไม่ต้องไปสุงไปหาว่าไปเสียเวลากับการหลงว่าไปเสียเวลากับการทุกความทุกข์ว่าไปเสียเวลากับความโกรธว่าไปเสียเวลากับความโลภ อย่าไปเสียเวลากับความรักความชังแวามยินดียินร้ายไม่ครูแล้วตามครูไปเลยปฏิบัติตามครูไปเลยแล้ววิธีปฏิบัติก็ไม่อยู่แล้วมีตําลามีสูตรนอกเราตัวเราก็ไม่ในตัวเราก็ไม่ในตัวเรามื่ก็เป็นสูตรที่แล้เป็นเรื่องสติปัติฐานนสูตรแต่ปฏิบัตฐานนสูตรแต่แล้วก็คือเรื่องการจำใจนี่ละ อ่ารมันลงไปดูมันลงไปเอามาจับไปใช่ลงไปศึกษาลงไปใครโยู่ที่ไศรษฐีอยู่ตรงนั้นใช้โยู่ที่ไศรสฐีอยู่ตรงนั้นนี่คือการศึกษาอย่ยเราก็ต้องมาตั้งต้นตรงนี้กันถ้าไม่ตั้งต้นตรงนี้จะไม่จบถ้าจบตรงนี้ไปจบไปหลายอย่างดีไปหลายอย่าง แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ถ้าศึกษาตรงนั้นแล้วมันก็เป็นไปเองเป็นธรรมชาติเป็นเกณฑ์ไเองเป็นหน้าที่ไปเช่นเราอ๋อมีความสําเร็จเรื่ององันใดก็จำเกันจำเป็นจะช่วยกันเองไม่ต้องขอร้องไม่ต้องขอร้องนั้นเกิดเสนอตัวเองขึ้นมา โูที่มีธรรมจะมักเกตเสนอตัวเองไม่เลียกร้องใครอะไรที่ไม่ดีไม่นามเสนอตัวเองไม่ทิ่งขยะไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ไปทําให้คนอื่นลาคาญผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพราะมันเห็นเห็นผิดก็เป็นผิดจริงๆเห็นถูกก็เป็นถูกจริงๆแล้วก็ละความผิดได้จริงๆแล้วก็ทําความดี ทำความถูกต่องทุกการทุกเวลาผู้ปฏิบัติธรรมเช่นพระพุทธองค์ของเราเมื่อพระองค์เราตัดสู้แล้วไม่มีใครมาสั่งพรงทองก็ไปเลยไปสอนเลยออกไปสอนไปสั่งไปสอนตะเนไปเที่ยวไปตามที่ต่างๆมไม่มีใครมาบอกความสอนเห ม, มือนกับทวนี้ทวนนี้ต้องมีคำสั่ง ตัวนี้ต้องมีคําสั่งเราต้องให้ใครพูดสั่งตามโมดตามนี้อ่างานก็ต้องเป็นคนคุมมาต้องมีผู้คุมเลยนะแต่ถ้าไม่มีใครคมก็ไม่รู้จักทําไม่รู้จากหน้าที่ไม่รู้จากหน้าที่แลก็เสียหายตัวเองไม่ดูแลตัวเองคนอื่นคมก็ไม่ได้แล้วก็เกิดเป็นขึ้ละ อางคนงานทัวเนี่ยการใช้แรงของคนงานทัวเนี่เสียหายมากแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพราะคนไม่มีคนละค่าเขาไม่ได้พัฒนาชีวิตของเขาเราใครไม่ต้องจําเป็นต้องใช้แรงงานนะ่ยอย่าไปวางอะไรเลยโลภโลภแรงๆเท่านั้นนะสวิธีใดที่เราเจะที่จะต้องไม่ใช้แรงงานเราก็ต้องสร้างขึ้นมา ระดัการปฏิบัติธรรมเป็นการเอาต้นต้ น, ตนม่าจะมาเก็บถูกไปทั้งหมดมาเก็บโถกไปทั้งหมดก็เกิดการดูแลไปทั้งหมดอาวุธหน้าที่เอ็มพวกเราอยู่ด้วยกันอย่ันตรงนี้หรือวัดก็ต้องให้วัดอาศัยด้วยไม่ใช่อาศัยวัดบู๊ก็ ญาติกับโยมก็ให้ญาติได้โยมอาศัยวาอยู่กับพระกับสงฆ์ก็ให้พระสงฆ์อาศัยมาอยู่กับป่าก็ให้ป่าอาศัยวาโยูกับไก่กับนกกับควงกับแข้งก็ให้ควเคงเข้งนกอาศัยมาต่างคนต่างอาศัยให้เป็นที่อาศัยเสียงไก่มันโลงกะตาก็ตาค่ายๆมันขอความช่วยเหลือจากเราช่วย ช่วยฉันด้วยหลวงพ่อช่วยฉันด้วยแม่ทีไปฆ่าบลาลังองค์งกรกำลังกินลูกของสานไว้ช่วยฉันด้วยนะก็มองมันะอย่างส่วนหนึ่งไปจะสวดทุกข์ษษษษษษทำโอปุสดเทศชลาหัวใจที่อยู่เก่าข้างบนเขาทําอุปุสดเสร็จลงมาโดนลุงมาตามกันมา่านชลาไก่ ผ่านไปศาลาหน้าเพราะจะต้องไปทําธุระหน้าที่ที่ศาลาหน้าด้วยวันเอเดินตามกันไปลๆแ ม, ม่ไก่บรรล่องก็ตากระตาพระทั้งหลายก็เดินฐานไปเดินฐานไปแล้วอง์เล่าองเล่าเราก็เดินฐานมาก็าเสียงแม่ไก่บรรล่องก็มองไก็เป็นกากําลังอ่จับ อลังไก่กินไข่ไก่บัางเดี๋แม่ไก่ก็ร้องแล้วก็ไปช่วยมันก็าถามพระที่เดินไปก่อนพระได้ยินเสียงแม่ไก่มันร้องหรือเดินขานไปได้ยินแต่ว่าไม่ได้ชัดคือคื อ, คอไม่คือไม่รงดไม่มีสตติเป็นหน้ารอดอะไรมันเกิดขึ้นมาบางที่เราก็พลาดไปเสร็จแล้วแทนที่จะได้ช่วยกัน ก็เลยมาได้ช่วยกันว่าสติในี่มันเป็นหน้ารอกเชื่อแต่ทาให้เกิดทำความดีจากตัวอย่าใหม่พอเพราะอันเดืนด้วยเสียงอื่นด้วยนะสติสมัชฌายะเน่ยมันเป็นคุณธรรมเลิกอะไรยามอัะไอบังที่บอกกนุษัตร์ตาวัดเทวชยาในทังอติปิชาฌงเขาถูกปปนานะโอโจปปะทัง ต่อไปนี้พอเราต้องเลิกลิกลูกอย่างลิกเลือดร้อนลิกเลือดคนลูกเลือดหาววันศินวันพระที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรวันเสาวันอาทิตย์มีกิจกรรมอะไรบอกเลิกบอกอย่างยามในตั้วชาววนตีข้องนอกเลิกอาวะเทวะเทียมไม่ติดังไอ้กิจที่ติตังอต บอกเลือกตีขอมม้องธรรมวัฒน์แบบไปอาศัยคนบืน่นถึงเวลาตีละคงเป็นทาบาดถึงเวลาตีละคังตีกองเพนถึงเวลาตีข้องธรรมวัฒน์เย็นเวลาประชุมมอกเลืกกันเวลานี่เลือกเน่สายไปดูฝนเลือกผมบอกทำยังไงเราจะมีน้ำเลยตัดแจ้ง จะต้องมีคำสั่งคิดขึ้นมาช่วยกันเลยน้านี่มันไหลลงไหมลาห้างน้ําเป็นอย่างไรหนีไปไห้มีไปต้องอยางน้อยเราก็ต้องขึ้นหลังคาปีละข้งสองข้างกวาดไปต่งลงมาเพื่อให้ได้นางฝนที่สะอาดลงไหมที่มันไม่ดีเราต้องทำคิดขึ้นมาทําค้นมาช่วยกันขึ้นมาดูแลกันไป เอาที่กติก็อาศัยเราอย่งนี้นปวดเพิ่มขึ้นมาช่วยมันถ้ามีปัญหาอยู่อันหนึ่งคือสลาไก่เสาสี่ต้นปวกถึงขึ้นคงคงขาดไปแล้วคานลองไปดูแล้วมันปวกอั้นอยู่บนคานสลาของสลาไก่ห็นว่าจะต้องไปไปตัดเอดบอ ก, กออกมาให้เอ็ดบอกไปชนกับเสาให้มันรัดไปไอย่างนี้แล้ว ผมทำตรงนี้ผมไม่ให้บอกไปห้องเก็บของใต้สาลา้ใต้นะผมไม่ให้ผมไม่ให้บอไปชนกับต้นเสาผมให้มันอยู่กลางๆเด่นๆเพื่อไม่ให้พวกมันอาศัยเป็นตโมงขึ้นมากินไม้ทั้งหมดมั น, น, นก็ดูแลบ้างนี่ก็รอบๆดูรอบปลอบแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาตอนนี้ละหันอยู่ รหัสที่เราจะต้องดูมันมีคอมพิวเตอร์ในชีวิตของเราตรงไหนมันจุดตอนตรงไหนมันจุดแชกแต่รู้หรอมันข้อมูลมันมีอยู่แล้วแต่เรามาศจกจาเห็นมันมีข้อมูลมีข้อมูลโลกโลกกว่านั้นนะเลือกฤดูฝน ล, ลือกฤดูร้อนลือกฤดูหนาวนอกจากเราดูแลอดีตดูแลเพื่อนมิตรสหายใครไปใครมาก็ให้เขาหายใจโล่งโลก เห็นหน้าเห็นตาเราอย่าต้องให้เขาวิตกกังวนคนที่พบ ก, กันต้องหายใจโล่งๆเวลาพบกันมันต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตของมนุษย์ชีวิตของคนเราเราใช่ละมัดละวางมันเป็นใครมาจากไหนเขาเป็นอย่างไรโดยเพาะพวกเราจะต้องให้คนอื่นมาทาให้คนอื่นมาวิธีใดคนอื่นที่จะเข้าถึงสินถึงธรรม เราต้องแสดงออกมาต้องพูดต้องอยู่ต้องช่วยต้องเหลือกันอสถานที่ต่างๆเงแวดล่อต่างๆจะให้เป็นที่พึ่งที่พึ่งพิงของอยาล้าหยาบนะเรื่องของกายเรื่องของใจเราเลยเอที่จะช่วยอลไวบ้างทำอะไรบ้างเราทำกันไปอย่าทําให้เกิดปัญหาอย่างไรปฏิบัติธรรมมันไปดีดีนะไม่ใช่ดีดีของแวางไปล่องลอง ไปพอดีพอดีไปดีจริงๆเหมือนชื่อสุขโตเลยไปดีๆมาดีๆไปถึงมั่งถึงผ ล, ม ล, ลใใหมดแล้วด้วยร่างกายใจของเราไดี รถจะได้สัมผัดกะโลเลาะ มันก็เคยตัวมันไม่มันไม่มันไม่ถูกต้องบางอย่างมันสะดวกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องปฏิบัติต้องต้องแก้ตรงนั้นความสะดวกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็มีโอกาสตรงนั้นความไม่สะดวกโอกาสที่จะหลงมีม า, ากกว่าโอกาสที่จะรู้ถ้าเราจะเก่งตรง น, นั้นบ้างก็ได้ โอกาสที่มันหลงเป็นโอกาสที่เราจะฝันรู้สแบบึกตัวนั่นแหละจะเก่งตรงนจะชำนิชนานาญตรงนั้นการปฏิบัติธรรมเวลาไหนไหนก็คือเวลาปฏิบัติตามที่พูดเท่นั้องเวลาไหนไหนก็เป็นเวลาปฏิบัติเวลาไหนไหนที่มันที่มันควรจะหลงเราไม่หลงเวลาไหนที่มันควรจะรู้เรารู้ต้องหัดในต้องสอนตัวอย่างยาม ถ้าไม่สอนไม่ฝึกหัดมันต้องเป็นบทฝึกหัดถ้าไม่หัดมันก็ไม่เป็นไม่ว่าอะไรจะหัดสูดเทวอางกิษจะหัดทำหัตตกรรมชิลตกรรมอะไรก็ตามต้องหัดต้องหัดบางทีก็ต้องหัดคิดในทางที่ดีหัดสูดในทางที่ดี เห็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ตัดศีรุ่เนี่ยองเนี่ยทวนกระแสทวนกระแสของโลกคิดถึงเพิมพาก็ไม่ต้องคิดกลับเข้ามาคิดถึงลาหุนก็กลับเข้ามาคิดถึงพระราชศพสินเสด็จคานก็กลับเข้ามาคิดถึงประสาทสามฤดูก็กลับเข้ามานั่งอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ ไม่ใช่มานั่งคิดถึงลูกขึงแม่ไม่ใช่มานั่งคิดถึงสนมคนนั้นหนไม่ใช่มาเปรียบเทียบอยู่ตรงไหนก็พยายามให้ลูกอู่กับเที่ราก็ทำอยู่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออ ก, ห ใ, ออกให้อยู่เฉพาะกับตัวใช่ไหมตัวปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็ต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่ปล่อยปะละเลย เต้นยังไงก็ไปตามมันไปเฉยต้องหัดมันมันจะเป็นตอนที่เราหัดมันจะถูกตอนที่เราหัดมันจะไม่ผิดตอนที่เราหัดแม้มันผิดแล้วเราหัดตรงที่มันผิดมันทุกข์เราหัดในตรงที่มันทุกข์รู้สึกตัวมันหลงเลยเวลาที่มันหลงเราหัดทำมนรู้นลเวลามันหลงนั่นแหละเป็นการปรกบหัดดัดแปลงแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนได้เป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกมาแล้วปฏิบัติธรรมเราจึงต้องสุขส ข, ขัดพุทธ ข, ขัดตลอดไปชีวิตของเราไม่ไมีอะไรจะต้องตัดทุกโอกาสเพราะเราอยู่กับโลกโลดของโลกมันทําให้เราหลงเราก็ต้องสอนตัวเราด้วยไม่หลงในสึ่งที่ควรหลง ไม่สุขในสิ่งที่ควมสุขไม่ทุกข์ในสิ่งที่ทำให้ทุก ข, ข์ประคติอยู่ในจนจำในจานานจนปริ ย, ยติไม่ิเวเสุสตเสุอุสุเสสุะกองโอทปัติยานางังโอทพปติปัญญาออทัปัติวิชาโอทัปติอาโลคอทปตินะมันปรินีปริจาได้ทุกข์แต่ก่อนพระนีปริญา ดังเราสวดธรรมจักกวาตตะโสตังตังโปเทตังทุกขะเรศจังชาติปิโตขะชาลาปิโตขาโอละนำปิโตขังโตขะปิเทวะโตโงนัชกัสสชัชาสัปิโตขะปิเยหิสัมโยโขตุโขปิเยหิวิปโยโขตุโขยำปิชังนาลาปาติธรรมปิโตขังสังกิเตนะปัญจุปาทานาันธาไอทั้งโน่ไปทุกตนทุกขังสมทโยเรจัง วาอย่างตันนะทุกข์ของเรียสั จ, จังปริเยยยันติในเพิกเวปะพึะพจาแล้วเรเยนติในเพิกเวะรู้แล้ววันโอ้ทุกข์มันเกิดเพราะอย่างนี้อย่างนี้เรเยยแล้วก็ประหาตปหาทําให้หมดไปได้นะ่เมื่อกี้มันใส่ทางโสะปริเทวทุตสาธานอกไปรู้ตอนนี้มันมาทางไหนล้วทุกข์ของ ตัวของเองรือสัจจังเปรยันติเมสุดด เ, สเตปเทสุมาทางนี้แหละปะเห็นแล้วเห็นแล้วเนอ่ยมันก็เกิดดีดเฉยๆเกิดปัญญาตรงนั้นแ่ละมาก่อนี่มันไปทางอุปาทานแบบนี้มันไปเป็นทางปริญญาปัญานะทําให้หมดไปอืมเ้มันต้องกระจายไปฏิบัติทั้งเป็นดงจำเนยํา น, นานพาะเตตัพันติเมทําให้หมดไปทําให้สิ้นไป ไนทุกขสัตว์ในทุกอริยสัตว์ตั้งแต่ทุกอริยสัตว์ตั้งแต่ทุกสมุทยัยตั้งแต่ทุกนิโรธตั้งแต่ทุกนิโรคาไม่นีปฏิปทาเป็นทางไปเห็นแล้วทําแล้วอลูกรอบแล้วลูกรอบแล้วนะเราเห็นทางที่เราสวดทําให้รอบขึ้นมาเลืรอบ ในปฏัดไปทุกทําให้ทุกทุกไปเกี่ยวกับทุกแล้วทําความทุกข์ให้สำเร็จแล้วมันเหลืกว่าโลกมาเราเห็นงูเราหนีออกไปจากงูเราพ้นจากงูแล้วในปริวัติสามอาการสิบสองเรียกว่าธรรมจักสิบสองขีสี่อริยสัจสี่สี่ทำเป็นปริวัติสาม 3, ครั้งละสามในมทุกก็ทำสามครั้งในสมุทัยก็ทําแล้วสามครั้งในนิโรธก็ทำสามครั้งในมัทธิมาปฏิปทาทำสามครั้งสี่สามเป็นสิบสองทมจัดเป็นสิบสองขี่ไม่ใช่ทุกเราไปจมอยู่กับเขาเห็นหมูก็ให้หมูกัดทุกทีเห็นตขะขาบก็ให้ตะขาบกัทุกทีต้องเก็บต้องปวดทุกทีอ น, นั่นไม่ใช่เห็นอริยสัจสี่ 4. เห็นเรือสัตว์สีเห็นแล้วต้องเข้าไปทำเห็นงู ก, กห็หนีจากงูงูก็ไม่ได้กัดพ้นจากการถูกงูกัดแล้วตัวเห็นทุกข์หล<ม>ังที่เราปฏิบัตินนเนี่ยไม่อรู้สัตตรงๆเลยเห็นทุกข์รู้สึกตัวเปลี่ยนมาเป็นคนรู้ทำแล้วทำอะไรทุกข์แล้วเห็นความหลงมันหลง รู้สึกตัวมันทุกลู้สึกตั ว, ม, ตวมันนิรกมันน้ทำตลอดเวในปฏิวัติสามอาการสุดตองรู้สึกตัวอยู่ทุกข้างแล้วก็ทำแล้วทำลงไปแล้วไปที่มันหลงอา้าวมันหลงแบบนี้มันรู้แล้วรู้แล้วความหลงหมดแล้วทำได้แล้วอย่านะทำได้แล้วอย่านะไม่เรียกว่า ในฤาษีนักปฏิบัติธรรมจเจริญสติปัฏฐานตรงกันเลยไม่อ้อมแอมเลยเข้าไปตรงตรงเลยพาเข้าไปเลยไม่ต้องไปเนินช้าปฏิบัติธรรมพาให้เราได้ตรงเห็นความทุกข์เห็นความหลงมาเป็นแถวมาเป็นแถวเรื่ทุกข์ความหลงก็ดีพร้อมไม่ทุกข์ก็ไม่หลงกมาให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาพร้ อ, อม หมดก็พ้นไปกับทำได้กับมือของเรานี่ยที่กายที่ใจของเราเนี่ยเพานั่นการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เสียเวลาต่อการเจริญเปลี่ยนแปไม่เสียเวลาเลยทํางานเป็นงานเป็นการเป็นชิ้นเป็นนั้นเป็นชิ้นเป็นนั้นเป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละเป็นสูตรอยู่เป็นหลักสูตร หลบแล้วคือกายกับใจของเรามันก็ไม่มีปัญหาตรงไหนี้ปัญหาก็มีปัญหาตรงนี้แก้ก็แจ้ตรงไหนทุกคนก็มีเหมือนกันถ้าเราแก้ตรงไหนรู้ตรงไหนเข้าไปเจาะตรงนี้รนรนเรเว็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นศีลที่ขันเป็นสมาธิที่ขัน เ, เ, เป็นปัญญาที่ขันมันทีเข้าไปไม่มีทํำไมเกิดทุกข์ไปเกิดไม่มีทํำไมเกิดความหลงตายเป็นปัญญา ปัจานการปฏิบัติธรรมนะต้องให้สบายใจได้เลยยกมือขึ้นสร้างจาลลังหวะรู้สึกสบายได้เลยเป็นหน่อโพทิ่ที่เกิดขึ้นกับเราแล้ววันนี้ก็สมควรใช้เวลา